วินิจฉัยโดยประเภทแห่งเทสนาในบทเหล่านั้นบทว่าโดยประเภทแห่งเทสนามีวินิจฉัยว่าก็การแสดงปฏิจะสมุปบาทแห่งพระผู้มีพระภาคมีสี่อย่างคือทรงแสดงตั้งแต่ต้นไปถึงปลายบ้างตั้งแต่กลางไปจนถึงปลายบ้างในยะเดียวกันนั้นทรงแสดงแต่ปลายมาถึงต้นบ้าง แต่กลางมาถึงต้นบ้างดุดการชักเอาเาวันแห่งคนหาเทาวันสี่คนฉะนั้นแสดงแต่ต้นถึงปลายเหมือนอย่างว่าในคนหาเาวันสี่คนคนหนึ่งพบคนเทาวันเข้าก่อนเขาก็ตัดมันที่โคนแล้วชักเอามาจนหมดนำไปใช้งานฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้น ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท ต, ตั้งแต่ต้นไปจนปลายว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาจนถึงชรามระมีเพราะปัจจัยคือชาติดังนี้ก็มีแสดงแต่กลางถึงปลายอันหนึ่งในคนพวกนั้นคนหนึ่งพบตอนกลางถวันเข้าก่อน ก็ตัดมันตรงกลางชักเอาส่วนบนเท่านั้นนําไปใช้งานฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นทรงสแสดงปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่กลางไปถึงปลายว่าเมื่อกุมานั้นตั้งหน้ายินดีเวทนานั้นอยู่พรามชมเชยเวทนานั้นอยู่ยึดเวทนานั้นติดอยู่นันทิคือความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้น นน้นที่ในเวทนาทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นอุปาทานภพย่อมมีแก่เขาเพราะปัจจัยคืออุปาทานชาติย่อมมีเพราะปัจจัยคือภพดังนี้เป็นต้นก็มีสแสดงแต่ปลายถึงต้นอันหนึ่งในคนพวกนั้นคนหนึ่งพบปลายถวันเข้าก่อน เขาก็จับมันเข้าที่ปลายและชักเอาหมดจนถึงโคนโดยสาวไปแต่ปลายนั่นแหละนำไปใช้งานฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ปลายไปจนถึงต้นว่าก็แลคคำที่เรากล่าวว่าชราโมรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ชจรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติหรือหนอหรือว่ามิใช่หรือว่าความสำคัญของท่านทั้งหลายในข้อนี้มีอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชจรามรณะย่อมมีเพราะปัจจัยคือชาติความสำคัญของข้าพระองค์ทั้งหลายในข้อนี้มีอย่างนี้ว่าเจรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติตรัสต่อไปว่า คำที่เรากล่าวว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือภพจนถึงสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาหรือหนอหรือว่ามีใช่หรือว่าความสําคัญของท่านทั้งหลายในข้อนี้มีอย่างไรดังนี้เป็นต้นก็มีแสดงแต่กลางถึงต้น อันหนึ่งในคนพวกนั้นคนหนึ่งพบตอนกลางถาวรเข้าก่อนเขาก็ตัดมันตรงกลางแล้วสาวลงไปส่วนล่างจนถึงโคนนําไปใช้งานฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นทรงสแสดงปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่กลางไปถึงต้นว่าภิกษุทั้งหลายก็แลอาหารสีน่นี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัย มีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่นี้มีตันหาเป็นต้นเหตุมีตันหาเป็นสมุทัยมีตันหาเป็นกําเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดตันหามีอะไรเป็นต้นเหตุเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารมีอะไรเป็นต้นเหตุสังขารมีอวิชชาเป็นต้นเหตุไปจนถึง มีอวิชชาเป็นแดนเกิดดังนี้ก็มีเหตุที่ทรงแสดงเช่นนี้ถามว่าก็เพราะเหตุชไหนจึงทรงแสดงอย่างนี้แก้ว่าเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะมีความงามรอบตัวคือสมันตพั และเพราะพระองค์เองก็ทรงถึงซึ่งเทศนาวิลาชความงามในกระบวนเทศนาด้วยจริงอยู่ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะมีความงามรอบตัวจึงเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ถูกต้องเพราะกระบวนเทศนานั้นๆโดยแท้พระผู้มีพระภาคเล่าก็ทรงถึงซึ่งความงามในกระบวนเทศนาเพราะทรงประกอบด้วยพระเวสารัชยานสี และพระปฏิสัมพิทาญานสี่และเพราะทรงถึงซึ่งพระคำภีรภาพสี่ประการด้วยเพราะทรงถึงซึ่งความงามในกระบวนเทศนาพระองค์จึงทรงแสดงธรรมะได้โดยนัยยะต่างๆแท้แต่เมื่อว่าด้วยความแปลกกันแห่งเทศนาทั้งสีอนุโลมเทศนาการแสดงปฏิจจสมุปบาทด้วยอนุโลม ตั้งแต่ต้นไปอันใดอนุโลมเทศนานั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นไปแก่พระองค์ผู้ทรงพิจารณาเห็นเว น, นยชนซึ่งยังข่าวอยู่ในการจำแนกเหตุแห่งประวัติคือความหมุนไปตามเหตุทั้งหลายที่เป็นของตนและเพื่อทรงชี้แจงลำดับแห่งความเกิดขึ้นด้วยปฏิโลมเทศนา การแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมตั้งแต่ปลายเข้ามาอันใดปฏิโลมเทศนานั้นพึงทราบว่าเป็นไปแก่พระองค์ผู้ทรงแหล่งเห็นสัตว์โลกซึ่งต้องทุกข์ยากโดยในยะพระพุทธรัมพึงว่าสัตว์โลกนี้ต้องทุกข์ยากหนอเกิดอยู่ด้วยแก่อยู่ด้วยตายอยู่ด้วยดังนี้เป็นต้นเพื่อทรงชี้แจงเหตุของทุกนั้นนั้นมีชรามรณะเป็นต้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงค้นพบตามแนวความตรัสรู้ในตอนแรกคือแรกตรัสรู้เทศนาที่เป็นไปตั้งแต่กลางถึงต้นอันใดเทศนานั้นพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทรงชี้แจงซึ่งลำดับแห่งเหตุและผลตั้งต้นแต่ข้ามอดีตอัทธาเสียไปจนถึงอดีตอัทธาอีกตามแนวกําหนดแห่งเหตุอาหาร ส่วนเทศนาที่เป็นไปเริ่มแต่กลางถึงปลายอันใดเทศนานั้นพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อส่งจีแจงซึ่งธรรมะอันจักมีในอนาคตอัตถาคือกลางอนาคตเริ่มแต่ความเกิดขึ้นแห่งธรรมะอันเป็นเหตุแห่งผลอันจักมีในอนาคตอัตถาในการปัจจุบันนี้เองในเทศนาสี่นั้น อนุโลมเทศนาเริ่มแต่ต้นไปเพื่อส่งชี้แจงประวัติความหมุนไปตามเหตุทั้งหลายที่เป็นของตนและเพื่อส่งชี้แจงลำดับแห่งความเกิดขึ้นแก่เวนั ย, ยชนผู้ยังเข่าในการจำแนกเหตุแห่งประวัติความหมุนไปอันใดอนุโลมเทศนานั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นแบบที่ทรงวางไว้ในที่นี้ อวิชาก็มีเหตุถามว่าก็เพราะเหตุฉไหนในปัจจัยาการนี้อวิชชาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เป็นข้อต้นแม้อวิชาก็เป็นสิ่งไม่มีเหตุแต่เป็นตัวมูลเหตุของโลกดังปกติคือประกิจของพวกปกติวาทีด้วยหรือแก่ว่า อวิชชาเป็นสิ่งไม่มีเหตุหามิได้เพราะว่าเหตุของอวิชชาก็ได้ตรัสไว้ในพระบาลีว่าอาสวะสมุทยาอาวิชชาสมุทโยความเกิดขึ้นแห่งอวิชชามีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะดังนี้แต่ป ร, ริยายคือเหตุโดยอ้อมซึ่งเป็นมูลเหตุให้กล่าวได้ว่าอาวิชชาเป็นตัวมูลเหตุก็มีอยู่ ถามว่าก็ปริยายนั้นคืออะไรแกว่าคือความที่อวิชชาเป็นสีสะเป็นยอดเหตุในวัตตกถาคือพระธรรมเทศนาว่าด้วยวัตตะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสวัตตกรถาย่อมตรัสโดยทรงยกธรรมะสองประการเป็นสีสะคือเป็นยอดเหตุคืออวิชชาบ้างดังที่ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งอวิชชาไม่ปรากฏหากใครๆกล่าวว่าก่อนนี้อวิชชาไม่มีดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งอวิชชาไม่ปรากฏหากใครๆกล่าวว่าก่อนนี้อวิชชาไม่มีมาภายหลังมันจึงเกิดดังนี้ไซแต่ที่แท อวิชามีสิ่งนี้นี้เป็นปัจจัยก็ปรากฏอยู่ชันนี้ภวะตันหาบ้างดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งภวะตันหาไม่ปรากฏหากใครๆกล่าวว่าก่อนนี้ภวะตันหาไม่มีมาภายหลังมันจึงเกิดดังนี้ไซแต่ที่แท้ภาวะตันหามีสิ่งนี้นี้เป็นปัจจัยก็ปรากฏอยู่ชันนี้ ถามว่าก็เพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสวัตถกถาจึงตรัสโดยยกธรรมะสองประการนี้เป็นศีสะคือเป็นยอดเหตุศีสะในที่นี้สะกดด้วยส่อสเสือทั้งสองตัวนะครับแกว่าเพราะธรรมะสองประการนี้เป็นเหตุพิเศษของกรรมที่เป็นสุคติคามีและทุกคติคามี จริงอยู่อวิชชาเป็นเหตุพิเศษของกรรมที่เป็นทุกติคามีเพราะอะไรเพราะปุถุชนผู้ถูกอวิชชาครอบงาแล้วยอมริธรรมกรรมที่เป็นทุกติคามีเป็นอเนกประการมีปานาติบาตเป็นต้นซึ่งทั้งไม่มีอะไรที่น่าพอใจเพราะเร่าร้อนด้วยกิเลสทั้งนำมาซึ่งอนัตตะแก่ตนเองเพราะทำให้ตกไปสู่ทุกติ เหมือนโคที่เขาจะฆ่าซึ่งถูกความเหนื่อยหอบและถูกหล่นด้วยไฟและถูกทุบด้วยไมค้ค้อนครอบงามแล้วย่อมรนดื่มน้ำร้อนที่เขาตั้งให้ซึ่งทั้งไม่อร่อยทั้งนำมาซึ่งความพินาศแก่ตนทั้งนี้ก็เพราะกระสับกระส่ายอยู่ด้วยความเหนื่อยหอบนั้นฉะนั้นส่วนภวะตัณหาเป็นเหตุพิเศษของกรรมที่เป็นสุขติคามี เพราะอะไรเพราะปุถุชนที่ภาวะตันหาครอบงำแล้วย่อมพยายามทํากรรมอันเป็นสุกติคามีเป็นอเนกประการมีเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นซึ่งเป็นกรรมมีคุณน่าชื่นใจเพราะปราศจากความเร่าร้อนด้วยกิเลสและเป็นกรรมที่บรรเทาเสียซึ่งความทุรนทุรายด้วยทุกข์ในทุกขติของตนเพราะยังผู้ทําให้ถึงสุกติ ลุดโคมีอาการดังกล่าวแล้วนั้นไม่ยอมดื่มน้ำร้อนพยายามหาดื่มน้ำเย็นซึ่งมีรสอร่อยและบรรเทาความเหนื่อยหอบของตนได้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะความกระหายในน้ำเย็นฉะนั้นแต่ในธรรมทั้งสองที่เป็นศีรษะในวัตถกฐานนั้นในบางสูตรพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท เทสนายกธรรมะข้อเดียวเป็นมูลนี้เช่นอย่างไรเช่นว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นสาเหตุวิญญาณมีสังขารเป็นสาเหตุดังนี้เป็นต้นในยะเดียวกันเช่นว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาย่อมงอกงามแก่บุคคลผู้เห็นแต่ส่วนที่น่าพอใจในธรรมะทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานก็มีขึ้นเพราะปัจจัยคือตัณหาดังนี้เป็นอาธิในบางสูตรก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทเทศนายกธรรมทั้งสองข้อเป็นมูลก็มีนี้เช่นอย่างไรเช่นว่าภิกษุทั้งหลายกายอันนี้ของคนเขาผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น ประกอบไปด้วยตัณหาเป็นไปแล้วคือเกิดขึ้นด้วยเหตุชนิด้ายดังกล่าวนี้ด้วยนามรูปกายนอกด้วยทั้งสองนั่นเป็นทวยะคือเป็นคู่กันอย่างนี้เพราะอาศัยทวยะธรรมคืออายตนะหกนั่นแหลภผัสสะก็เกิดขึ้นคนเขาถูกธรรมะมีผัสสะเป็นต้นไรเล่า กระทบเอาแล้วย่อมสวยสุขและทุกข์ดังนี้เป็นอาทิในเทศนาเหล่านั้นเทศนาว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาเป็นต้นนี้เพราะในที่นี้พึงทราบว่าเป็นเทศนาที่มีธรรมะข้อเดียวเป็นมูลโดยยกอวิชชาเป็นศีรษะ วินิจฉัยโดยประเภทแห่งเทศนาในพระบาลีปฏิจจสมุขบาทนี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกวินิจฉัยโดยอัฏฐะคำว่าโดยอัฏฐะคือโดยความแปลแห่งบททั้งหลายมีบทว่าอวิชาเป็นต้น อัฏฐะนี้อย่างไรบ้างอัฏฐะแห่งบทอวิชชาปัจจยาอาวิชชาอากุศลธรรมมีกายยตุจริตเป็นต้นชื่อว่าอาวินทิยะแปลว่าไม่ควรได้เพราะอัฏฐะว่าไม่ควรบำเพ็ญธรรมชาติใดย่อมได้ซึ่งอวินทิยะนั้นเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาคือได้สิ่งที่ไม่ควรได้กุศลธรรมมีกายสุจริตเป็นต้นชื่อว่าวินทิยะแปลว่าควรได้เพราะอัตถะตรงกันข้ามคือควรบำเพ็ญธรรมชาติใดย่อมไม่ได้ซึ่งวินทิยะนั้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าอาวิชชา คือไม่ได้สิ่งที่ควรได้ธรรมชาติใดทําอัตตะคือความเป็นกองแห่งขันทั้งหลายามิให้ปรากฏทําอัตตะคือความเป็นเครื่องต่อแห่งอายตนะทั้งหลายมิให้ปรากฏทําอัตตะคือความว่างเปล่าแห่งธาตุทั้งหลายมิให้ปรากฏทําอัตตะคือความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์ทั้งหลายามิให้ปรากฏทํ า, ท า, า, ารรอัตตะคือความจริงแท้ แห่งสัจจะทั้งหลายมิให้ปรากฏเหตุนี้ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาทาอัฏฐแห่งขันเป็นต้นมิให้ปรากฏธรรมชาติใดทาอัฏฐะสี่อย่างในอริยสัจสี่ที่กล่าวโดวยอัฏฐะคือบีบคั้นเป็นต้นแห่งสัจจะมีทุกขสัจเป็นอาทิมิให้ปรากฏเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาทำอัถฐะแห่งอริยสัตว์มิให้ปรากฏธรรมชาติใดอย่างสัตว์ทั้งหลายให้แล่นไปในกำเนิดกติภพวิญญาณทิฏฐิและสัตตาวาทั้งปวงในสงสารอันปราศจากที่สิ้นสุดเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาคืออย่างสัตว์ให้แล่นไปในสงสาร อันปราศจากที่สิ้นสุดธรรมชาติใดยอมแล่นไปในบัญญัติธรรมทั้งหลายมีหญิงและชายเป็นต้นอันไม่มีอยู่โดยปรมัตดไม่แล่นไปในบัญญัติธรรมมีขันเป็นอาทิแม้มีอยู่โดยปรมัตดเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าอาวิชาคือแล่นไป ในอวิชมานะบัญญัติหรือไม่แล่นไปในวิชมานะบัญญัติอีกนัยยะหนึ่งธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาวิชชาเพราะปกปิดเสียซึ่งวัตถุและอารมณ์แห่งวิญญาณมีจากขุวิญญาณเป็นต้นและซึ่งธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นปฏิจจสมุปบาทคือปัจจัย และที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือผลดังนี้ก็ได้โดยสภาวะผลอาศัยธรรมะใดไปธรรมะนั้นชื่อว่าปัจจัยแปลว่าธรรมะเป็นที่อาศัยไปแห่งผลสับว่าปฏิจจะอาศัยหมายความว่าไม่เว้นไม่ปฏิเสธ สับว่าเอติคือไปหมายความว่าเกิดขึ้นและเป็นไปอีกอย่างหนึ่งอัฐะว่าอุปการกะกัผู้อุดหนุนเป็นอัถะแห่งปัจจยศัพ์อวิชชาด้วยอวิชชานั้นเป็นปัจจัยด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาปัจจยาแปลว่าอาวิชชาเป็นปัจจัย บทว่าอาวิชาปัจจะยาปแปลว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยนั้นสังขารธรรมะทั้งหลายใดมุ่งแต่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เป็นอย่างสังคตะขึ้นเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าสังขารแปลว่าธรรมะผู้ปรุงแต่ง แต่ว่าสังขารมีสองอย่างคือสังขารที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยหนึ่งสังขารที่มาโดยสังขารสามหนึ่งในสังขารสองอย่างนั้นสังขารเหล่านี้คือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอเนียนชาพิสังขารเป็นสกับกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารอีกสารวมเป็นหก จัดเป็นอวิชาปัจจยญาสังขารอาวิชาปัจจะญาสังขารทั้งหมดนั้นก็ได้แก่กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาฝ่ายโลกิยะนั่นเองส่วนสังขารสี่นี้คือสังคตะสังขารสังขารคือสิ่งที่เป็นปัจจัยของตนของตนแต่งขึ้นอภิสังคตะสังขารสังขารคือสิ่งที่กรรมแต่งขึ้น อภิสังขาระนกสังขารสังขารคือตัวกรรมผู้เป็นเจ้าหน้าที่แต่งประโยชขาพิสังขารสังขารคือความเพียรพยายามจัดเป็นสังขารที่มาโดยสังขารสับในสังขารสี่นั้นธรรมะที่มีปัจจัยทั้งปวงที่กล่าวไว้ในพระบาลีทั้งหลายมีคำว่าอนิจจาวัตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเป็นต้นชื่อว่าสังคตะสังขารอภิสังคตะสังขารกล่าวไว้ในอัตถกถาทั้งหลายว่ารูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดแต่กรรมเป็นไปในไรภูมิชื่อว่าอภิสังคตะสังขารดังนี้แม้อภิสังคตะสังขารนั้นก็ถึงความสงเคราะห์ ลงในสังคตะสังขารที่กล่าวในพระบาลีว่าอ น, นิจจาวตสังขารานี้เหมือนกันแต่อคติสถานแห่งอภิสังคตะสังขารนั้นมิได้ปรากฏในพระบาลีโดยเฉพาะส่วนกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอันเป็นไปในไตรภูมิเรียกว่าอภิสังครนกคสังขาร อาคตะสถานแห่งอภิสังคารนักสังขาระะขา น, นั้นปรากฏในพระบาลีทั้งหลายมีพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคล น, นี้ตกอยู่ในอวิชชาย่อมสร้างสังขารที่เป็นบุญบ้างดังนี้เป็นต้นส่วนความเพียรทางกายและทางจิตเรียกว่าประโยคาพิสังขานประโยคาพิสังขาร น, นั้น มาในพระบาลีทั้งหลายว่าความดำเนินไปแห่งอภิสังขารคือกำลังความเพียรมีเพียงใดเขาก็ไปได้เพียงนั้นแล้วก็หยุดรล่าวกับเกวียนเพลาหักฉนั้นดังนี้เป็นต้นอันหนึ่งสังขารที่มาโดยสังขารสับใช่มีแต่สังขารสี่นั่นเท่านั้นก็หาไมิได้ สังขารที่มาโดยสังขารทัพย์อื่นๆอีกก็มีเป็นอเนกโดยในยะพระบาลีว่าอวุโสวิสาขาเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทอยตานิโรธว่าจีสังขารดับก่อนแต่นั้นกายสังขารดับต่อนั้นจิตตะสังขารจึงดับดังนี้เป็นต้นในสังขารทั้งหลายนั้นสังขารที่จะไม่พึงถึงความสงเคราะห์ในสังคตะสังขารหาไม่ไม่ อัฏฐะแห่งศัพท์มีวิญญาณเป็นต้นอธิบายในพระบาลีทั้งหลายมีคาว่าสังขารปัจจยาวิญญานังวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นต้นต่อไปนี้พึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเถิดส่วนในคําที่ยังมิได้อธิบายพึงทราบดังต่อไปนี้ธรรมชาติที่ชื่อว่าวิญญาณ เพราะรู้อารมณ์ต่างๆชื่อว่านามเพราะน้อมไปสู่อารมณ์ชื่อว่ารูปเพราะรู้จักสลายชื่อว่าอายตนะเพราะแผ่ไปในอายะคือขยายตัวและเพราะนำให้อายะตะคือต่อออกไปสภาพที่ชื่อว่าผัสสะเพราะถูกต้องกันเข้า แห่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นธรรมชาติที่ชื่อว่าเวทนาเพราะรู้รสอารมณ์ชื่อว่าตันหาเพราะกระหายอารมณ์ชื่อว่าอุปาทานเพราะถือมั่นสภาพอันชื่อว่าพบเพราะเป็นขึ้น หรือเพราะทำให้เป็นขึ้นความเกิดชื่อว่าชาติความแก่ชื่อว่าชราธรรมชาติอันชื่อว่ามรณะเพราะเป็นเหตุตายแห่งสัตว์ความเศร้าชื่อว่าโศกความคร่ำครวญชื่อว่าปริเทวะธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกขะเพราะทำให้ลําบาก หรือชื่อว่าทุกขะเพราะขุดอยู่สองตอนโดยขุดตอนเกิดขึ้นและตอนตั้งอยู่ก็ได้ความเป็นผู้เสียใจชื่อว่าโทมนัสความตรอมใจอย่างหนักชื่อว่าอุปาญาตคําว่าสัมพวันติมีได้แก่เกิดขึ้นอนหนึ่งบัณฑิตอย่าพึงทำรรโยชนาะ ประกอบสัมภวันติศั์เข้ากับบททั้งหลายมีโซกะเป็นต้นไปแต่เพียงเท่านั้นที่ถูกต้องทำยโยชนาสัมภวันติศั์เข้ากับบททั้งปวงเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยประการนอกนี้คือไม่ประกอบสัมภวันติศั์ว่ า, าวิชาปัจจยาสังขาราเฉยเฉยความก็จะไม่ปรากฏว่าสังขารทั้งหลายทำอะไรคือไม่มีบทกิริยา แต่ครั้นมีประกอบทราบว่าสัมพวันติเข้าย่อมเป็นอันธรรมความกำหนดได้ทั้งปัจจยธรรมทั้งปัจจุบันธรรมว่าอาวิชชาจัดสาปัจยโยจาติอวิชชาปัจยโยตัสมาอาวิชชาปัจจญาสังขาราสัมภวันติอวิชชาด้วยอวิชชานั้นเป็นปัจจัยด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาปัจจยะ สังขารทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั้นดังนี้ในบททั้งปวงก็ในยะนี้คําว่าเอวังเป็นคําชี้ในยะที่แสดงมาแล้วด้วยคําเอวังนั้นแสดงว่าปัจจุบันธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะปัจจยธรรมมีอวิชชาเป็นต้นนั่นเองเป็นเหตุหาใช่เกิดขึ้น เพราะพระอิศวรหรือพระเจ้าบรรดาลเป็นต้นไม้คำว่าเอตัสสะนั่นคือตามที่กล่าวมาคำว่าเกวัลสสะแปล ว, ว่าไม่มีสุขเจือปนหรือว่าทั้งมวลคำว่าทุกขคันทัสะแปล ว, ว่ากองทุกข์คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของสุขของงามเป็นต้น คำว่าสมุทโยแปลว่าความเกิดขึ้นคำว่าโหติแปลว่าย่อมมีวินิจฉัยโดยอัฏฐะในพระบาลีปฏิจจสมุบาทนี้ปณิตพึงทราบดังพันานามาชนี้